รธรรมเทศนาแผ่นที่51อดลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวัยสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่22พฤษภาคม2556นหณวัดป่าภูดินมีชื่อเรื่องว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงต่อนไปตั้งใจฟัง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 โทรศัพท์ที่ไม่มีเสียงที่สันจะเธอร์นะขอให้เวลาจะพูดโทรศัพท์ไปคุยข้างนอกอย่ามาคุยใกล้ๆที่หลวงพ่อแสดงธรรมอย่ามาพูดแข่งกับหลวงพ่อเพราะตรงนี้ไม่ใช่ตรงที่พูดโทรศัพท์อย่างเมื่อกี้นี่ก็เห็นไหมก็ผู้กล่าวอัตนาอยากจะฟังธรรม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 ก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังนานทีพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันอย่างนี้ถึงจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคลงานครูบาอาจารย์หลวงปู่ครูที่ก่อนั่นละให้เราพวกเราถือโอกาสถึงอย่างไงพวกเราจะได้ยินได้ฟัง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 ได้ยินเสียงฟังอัดฟังธรรมฟังหลักเหตุผลเหตุผลคือความถูกต้องจิตใจของพวกเราจะได้รับความสงบได้รับความของใสอันนี้คืออันดับสูงแห่งการฟังธรรมแล้วก็สุดตรรมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพวกเราจะเกิดปัญญาได้อย่างไรีว่าสุดตามยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามายะปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นมีเหตุผลมากน้อยอย่างไงแค่ไหนอันนี้วะจินตามายะปัญญาภาวนามยะปัญญาภาวนาคือทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้นิ่งซะก่อน จิตเทผ่านความสงบรละความนิ่งมาแล้วนั้นนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาที่แท้จริงอันนี้เรียกว่าภาวนามายะปัญญาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่มาในวันนี้ให้ตั้งใจฟังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพอตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าเรื่องในาะที่นี้นะ นะโมตัสสะปะกวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะกวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวาตสังขาราอุปดวายธรรมิโน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 ว่าตัวเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงว่าไม่มีอะไรอย่างนี้แปลว่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าหากว่าทุกคนให้คิดไปอยู่เสมอว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างที่หลวงปอคูนเป็นตัวอย่างท่านก็ได้จากไปการจากไปของท่านในคราวนี้เลยในครั้งนี้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 ล้ำลึกชาติผลหลังได้ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงยืนยันว่าตายแล้วไม่สูญถ้าหากว่าตายแล้วสูญจะล้ำลึกชาติไม่ได้แต่นี้พระอุตพระพุทธเจ้าละลึกชาติผลหลังได้เยาะปุกเพในวาสานุสติญาณอันนี้เป็นหลักยืนยันในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกทุกท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาท พวกเราจะต้องในเดินทางข้ามภพข้ามชาติแน่นอนอย่างที่หลวงปู่คูณของพวกเราท่านในเดินทางข้ามภพข้ามชาติแต่หลวงพ่อเองของมั่นใจในหลวงปู่ของเราเพราะว่าท่านเป็นพระเสีระผู้ใหญ่และท่านก็ได้แนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าและก็พร้อมกันท่านเองเมื่อท่านแนะนาสั่งสอนคนอื่นท่านก็ต้องสอน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 ที่มีเพียงพอไหมจากนั้นก็เงินในธนาคารของเรามีเท่าไหรแต่ก็เราไปถึงประเทศนั้นเรากดบัตร ATM ของเราเรามีเงินในธนาคารเพียงพอไหมหรื อ, อยู่ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บของเรามีพอไหมร่มของเรามีไหมเวลาฝนตกอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ถ้าหากว่าพวกเราได้คิดก่อนเดินทาง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 S <S <an> จนยึดอย่างนี้ะคงจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคือหัวยแจ็คพอร์ตกันเอรวยเป็นอนเออนกอนันต์ไปทั้งหมดอันนี้ที่เรามันคิดแล้วมันผิดซื้อเอะไรก็ผิดเอคนเพ้อจะเจ๊งเอาอได้ง่ายๆเพราะเหตุอะไรเพราะมันคิดเข้าไปแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ตัวเองคิดนี้ก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าตายแล้วศูนย์แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจาวว้าวัดตายแล้วไม่ศูนย์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 เราไม่ได้เตรียมทรัพย์เอาไว้ไม่ได้เตรียมเงินเอาไว้ไม่ได้เตรียมสิ่งของเอาไว้ถึงวันพรุ่งนี้เ อ, อมีขึ้นมาแล้วสมบัติของเราไม่มีเราจะอยู่กินอย่างไรนี่แหละอันนี้ก็คือหลักคำคําสอนที่พระพุทธเจ้าเทศนตรัสไปว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเราอนาคตมันมีเรียกว่าปุกเพในวางสารวัตติญาณละลึกชาติหัหลังได้ พอเราตายไปแล้วมันไม่สุดตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านให้กันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ไม่ได้ส่งวนลลขาสิทธิ์ว่าวิธีพิสูจน์นั้นทําอย่างไรพิสูจน์ที่วัดตายแล้วเกิดหรืตายแล้วสูดนั้นว่าตายแล้วเกิดนั้นทําอย่างไรพระพุทธองค์ก็ท่านก็ได้บอกท่านตรัสไว้ว่า ต้องนั่งสมาธิต้องทำสมาธิทำสมาธิเนี่ยทำอย่างไรเพราะพรองค์บอกว่าเรานั่งสมาธิอยู่ที่โครนต้นโพวันเดือนบกเพนเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพอปูอาชนะคือยาา่าคาที่นายโสธิยะนำมาถวายนำมามอบให้แปดกำมือเราได้เอ า, อ ย, า, าย่าคาเกลี่โงไป ทางทิศ ต, ตะวันออกของต้นโพธจากนั้นเราได้ขึ้นนั่งบนอาสนะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสู่เมื่อเรานั่งสมาธิในช่วงนั้นพระอาทิตย์ยังไม่ตกดิน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 หายใจออกโถอันนี้คือหลวงปู่มั่นที่สั้นแนะนําสั่งสอนพวกเราในยุคปัจจุบันอย่างนั่งขัดสมาธิเหมือนกันขาขวาทับขาซ้า ย, ยาเหมือนเราจะนั่งที่ไหนก็ได้ไม่ใช่นั่งที่โหนต้นโพอย่างพระพุทธเจ้านะสินั่งอยู่ในห้องนอนก็นันได้นั่งอยู่ที่ศาลาก็ได้สรุปแล้วในที่สงบสนั่แต่หลวงปู่มั่นท่านสอนลุกศิษย์ลูกหาของท่านท่านให้อแสวงหา ที่สงบสงัดอยู่ในป่าช้าอยู่ในป่าโรงปงไัยอยู่ในเงื่มผาอยู่ในถ้ำนี่แหละอย่างหลวงปู่มั่นของพวกเราท่านมาอยู่ที่บ้านหนองกองหรือบ้านคอนาลายอย่างนี้ที่เป็นวัดป่าสมัยเก่าแก่ดึกดาบัดสมัยแปด0ิบเก้าสิบปีให้หลังจากนั้นท่านยึงไปที่น้ำตกยุงทองอีต่างหากบ้านนาหมีนายูงสมัยนั้น หลงปูม่านท่านไปทุกหัวและแห่งถ้าจะว่าไปแล้วพวันนั้นท่านไปเพื่ออะไรท่านไปนั่งภาวนาอย่างที่ท่านแนะนำสั่งสอนสิทธิารู้สิทธิ์ของท่านใดเมื่อท่านไปอยู่นัตสถานที่ใดท่านก็ไปนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรกดำรงสติเฉพาะหน้าท่านจะไปอยู่ในสถานที่กลัวๆ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 ถ้ากลัวความกลัวมันมีมันจะไม่ส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกนะทีนี้เราว่าบอกว่าถ้าอยากจะให้ถ้ามันกลัวขึ้นมาให้อยู่กับกรรมฐานพุทโธนะนี่พวกเราก็จะอยู่ในพุทโธเพราะมันกลัวมันกลัวมันกลัวผีจะมาหลอกามาผีมาจะหักคอมัวผีจะมาทำร้ายทำรายเราเร า, เราอยู่กับพุทโธเลยกาหนพดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธใจของเราจะไม่สง่งออกไปข้างนอกเพราะมันอยู่กับตัวเอง นั่นแหละใช่ไมพอมนอยู่กับพุทโธเนะนี่ยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนำว่าให้ไปอยู่ในที่สถานที่กลัวๆจังภาวนาในเมื่อเราไปอยู่สถานที่กลัวแล้วเราพุทโธพุทโธพุทโธใจเราก็รวมสงบอ่ารวมสงบลงเป็นหนึ่งในเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใคร ไม่ต้องถามพระพุทธเจ้าไม่ต้องถามครูบาอาจารย์ไม่ต้องถามใครทั้งหมดเพราะจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายของเราเนี่ย เ, เหมือนกับโซโฟเฟอรถร่างกายของเราเหมือนกับรถแต่ใจของเราเหมือนกับโซ่เฟอรถแยกกันได้ชัดถึงขนาดนั้นละ่ะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านอยากจะพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วศูญให้นั่งภาวนา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 พรรถมันลู ก, ลกสูบมันติดเอ้คไข้ไข้ก่อเลือดไปเลี้ยงหัวใจหมดมันขาดเลือดมันหยุดไข้เยายัางไงมันก็ไม่ไปไม่มาเพราะเหตุไรเพราะรถมันเสียหายอย่างมากทีนี้โซเฟอร์ก็ต้องออกจากรถเอออกจากรถคันนี้นะ่หละออกจากรถไปที่อื่นแหะทีนี้วันั้นพระพุทธเจ้าท่านจะออกก่อนที่พวกเราจะออกจากรถคันนี้นะ่ะเราได้เตรียมพร้อมหรือ ย, อยัง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 อาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตเป็นผีเป็นอะไรเป็นมากมายหลายๆอย่างในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นมนุษย์ตลอดไปไม่ใช่นะเออเหมือนกับคนเราเนี่ยนะตะก่อนเป็นเศรษฐีก็จริงอยูุ่แต่มันเจ๊งขึ้นมาแล้วจะเป็นชื่อว่าเศรษฐีได้อย่างไรก็ต้องชื่อว่าทุกขะตะเป็นคนขอทานต่อไปเพราะเราเป็นคนจนแล้วจ้ะ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 เคารพวิดามาันดาคูอุปชาอาจารย์วั ย, ยวุฒิคุณวุฒิล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนะั้นอย่างพวกเรามาบาเพ็ญในวันนี้ที่ได้ทราบข่าวลหลายท่านมีทั้งสพปเขตสีมีทั้งโรงพยาบาลศูนย์อุดรมีทั้งมากมายหลายๆอย่างจนไม่สามารถที่จะบรรยายได้ในวันนี้ทั้งสิบกว่าเกือบยี่สิบคณะที่มาร่วม บำเพ็ญสวดอภิธรรมถวายหลวงปู่คูณในวันนี้แต่ถึงยังไงถึงจะไม่ระบุหรือไม่ระบุก็ตามถ้าว่าผู้ใดทำคุณงามความดีเขาลงไปแล้วบุญกุศลก็จะไหลทะลักเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายแบ่งสรรปันส่วนกันถ้าว่าผู้ใดทำมากเป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของท่านผู้นั้นเหมือนกับพวกเราทํามาค้าขาย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 เราทำตามโลกสมมติเขาถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวเ็าจะหาว่าเราไม่ได้ใส่ใจเพราะเราเป็นในฐานะอย่างนี้พวกเราจาเป็นจะต้องทำถ้าเราทำด้วยความไม่เชื่อด้วยไม่มีศรัทธาบนกุศลก็ก็ได้อยู่แต่ไม่มากเพราะอะไรเพราความไม่เชื่อในจิตในใจของเรามีแต่ว่าผู้ใดถึงจะทำน้อยแต่ว่าจิตใจของเรามีความมุ่งมั่นมีความบูชาพระคุณ ของหลวงปู่คูณของพวกเราบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายแบบ่งสรรปันส่วนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านได้มาบมเพ็ญหรือบมอเพ็ญนิสถ า, านที่ใดข้อตามบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราสรุปแล้วก็คือใจของเราเนั้นเป็นคลังเป็นคลังของบุญและเป็นคลังของบาปถ้าเราทากรรมชั่วความชั่วความชั่วจะเข้าสู่จิตใจของพวกเรา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 แต่การที่พวกเราเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีครูบายการท่านคงจะอธิบายมมากมายและหลายอยา่างแต่เรื่องภาวนากา็ท่านก็คงจะอธิบายเหมือนกันแต่ถึงยังไงการภาวนาเนี่ยมันมีมากหลากหลายแต่ละองค์แต่ท่านจะได้ยังไงสมบัติของท่านที่จะได้มาอย่างพวกหนึ่งไปทำนาวิธีทำนาทำยังไงอธิบายเรื่องทนานาก็ได้ข้าวแล้วก็ขายข้าวก็ได้เงิน พวกหนึ่งไปกียรยางอธิบายเรื่องสวนยางทำยางจากนั้นก็ขายยางก็ได้เงินหลายขายมันจำปาหลังก็ได้เงินขายข้าวโพดก็ได้เงินขายบัวขายควายก็ได้เงินทำราชการงานเมืองแต่ละอย่างได้เงินทั้งนั้นแต่ที่นี้การได้เงินของแต่ละคนมีมากหลากหลาย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 ท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ท่านไม่ค่อยพูดแต่ท่านทำให้ดูอันนั้นก็เป็นพระที่มหาเถระผู้ใหญ่ที่หาดูได้ยากจากนั้นก็มาอยู่กับหลวงปู่จามอีกครอบสองหนึ่งอีกหนึ่งปีจากนั้นกับพรรษาที่ห้าก็มาอยู่ที่วัดหลวงปู่บ้านตากตั้งแต่ปี2512จนถึง2525 25, ยังได้ออกจากวัดป่าบ้านตากไปอยู่ที่วัดป่านาคาน้อย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 ถ้ายกอบพระไตรจ้าวคือบอรมะครูที่ได้ยกไปแล้วว่าท่านนั่งสมาธิอย่างไรที่โครนต้นโพแต่หลวงปู่มั่นสายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือต้นตระกูลของพวกเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ยกหลวงปู่มั่นไปเหยียบย่ําทําลายครูบาอาจารย์สายอื่นไม่ใช่แต่นี่คือมีหลายหลายอย่างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นว่าคนหนึ่งทําไร่คนหนึ่งทํานาตนทํารั้วทำสวนข้าราชการงานเมือง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 รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่หลวงปู่สาวหลวงปู่ม่านท่านเอากรรมฐานสองอย่างเข้ามาพนวกกันคือกรรมฐานหายใจเข้าหายใจออกคือกรรมฐานของพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายสติปัญญาจัตตาหรือสติของเรามันอรแขระมันน้อยมันหลุดแรงอ่ะเพราะนั้นให้พวกเราบริกรรมหายใจเข้าบริกรรมพด หายใจออกปฤิกรรมโทหรืออนุสติที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้น่ะอนุสติ10บพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจักจานุสติเทวตานุสติอาณาปานสติมรณะนุสติอุปสมานุสติอนุสติส10บของพระพุทธเจ้าที่ท่านแต่ตรัสเอาไว้น่ะแต่หลวงปู่มันเอามาใช้สองอย่างบวกผนวกกันคือพุทธานุสติกับอาณาปานุสติสองอย่าง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 อ, อย่างนั้นก็ได้อย่างมานั่งมาล้ำลึกถึงหลวงปู่คูณของพวกเรา เ, เรามานั่งอยู่ที่ศาลา <c oughs> ต่างคนก็ต่างนั่งล้ำลึกถึงพระคุณของหลวงปู่วันกรรมพุทโธพุทโธล้ำลึกถึงบุญคุณหรือว่ามรณะนุสติที่หลวงปู่ของเราได้พบได้เจอได้เห็นพวกเร า, าก็จะต้องได้พบได้เจอเหมือนกับท่านนี่แหละ <c oughs> อันนี้ก็น้อมจิตของเราให้ถึงมรณะนุสติและลึกถึงความตายที่จะมาสู่ตนอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเราจะมานั่ง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 เราสนใจใจของเราให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์จะดีกว่าให้รู้ใจของตนเองในขณะที่นั่งสมาธิจากนั้นเราก็นั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าพุทโพุโทโธพุโทโธพุทธโธถ้ามันใจมันหลุดออกไปแต่หลวงพ่อเองก็เคยแนะนํำสัทธาญาิโยมลูกหลานอันนี้เป็นแนวความคิดของหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อแนะนําคิดว่าไม่ผิดเพราะเหตุใดเพราะกรรมาฐานของพระพุทธเจ้าวางไว้ทั้งสี่สิบอย่าง อันนี้เราจะนํามาประยุกต์ใช้กับผู้คนคณะรัตยาญาิโยมทดลองดูซิไม่น่าจะผิดเพราะว่าเรากระยึดให้มีสติสัมปชัญญะเหมือนกันหลวงพ่อบาวให้นับให้นับหายใจเข้านับหนึ่งห้จะออกนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกหายใจเข้านับไปเรื่อยๆจนถึงร้อยถึงร้อยแล้วกับถ้ามันไม่เผลอไม่หลงไม่ลืมกลับมานับหนึ่งอีกจากนั้นจะค่อย หายใจเข้าพ so ุทธหายใจออกโถรต่อถ้ามันจะบเถอมันจะเป็นยังไงมันเห็นได้ชัดนะคณะทายญาติโยมทุกท่านนะเวลาหายใจเข้าหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจนถึงร้อยถ้ามันจะบเถอมันจะเบอร์เบอร์พอเบอร์เสร็จแล้วมันจะหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขี้นั่นแหละมันสลับกันแล้ว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 ต่อไปจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบแล้วสิเราจะบกปล่อยแต่เราไม่ต้องนับเลยสหายใจเข้าดูลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทพโธพุทธโนี่แหละใจของเราจะรวมแล้วสอจะเข้ารวมเข้าสู่ความสงบอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ว่าปลุกเพได้ว่าลนะสารุจติยานจิตรวมสงบแล้วลึกชาติหนุนหลังได้แต่นี่พวกเราเป็นลูกศิษย์หลวงหลวงปู่มั่นท่านบอกว่ า, วา เวลาจิตสงบแล้วอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกนะเน อ, ออันนั้นมาคายท่าบอกเป็นพุทธะอันนี้เป็นเราเป็นสาวกกะเมื่อจิตใจ ร, รวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนำจิตใจที่รวมสงบนั่นนะนำมาพิจารณากรรมฐานกรรมฐานห้าคือเกสาโลมาณขาทันตาตะโจกเกสาผมโลมาขนณขาเล็ดทันตาฟันตะโจหนังเออคาถึงหนังแลวกระุดเพราะว่า หนังใ่เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับมนุษย์ที่มีกิเลสราคะโทสะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งกิเลสราคะหนังใ่เป็นเรื่องใหญ่มากหนังหุ้มหอร่างกายมันหลงแต่ตามไม่จริงหนังอันนี้ยมันบางๆไม่ไม่หนาเท่ากระดาษอีกต่างหาเพราะว่ามีอะไรทิมทิมเข้าไปแล้ว เ, เลือดออกหมดถ้าถลกหนังเข้าไปแล้วจะหาความสวยงามได้อย่างไรหาจังวหวาความสูงสวยงามได้ที่ไหน นี่แหละมันหลงหนังเพราะฉนั้นท่านจึงว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจ่ตะโจ่แปลว่าหนังนี่มีหนังเป็นที่ห้าเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาเกสาผงโลมาขนน้นขาเลตันตาปันตาโจหนังร่างกายของเรานี่มีหนังพุ่มอยู่โดยรอบถ้าวัดถลกหนังออกเราดูกันไม่ได้เอเพราะเหตุะอะเพราะว่ามันเป็นอสุภะปฏิกูลร่างกายของเรานี่แหละ ในคำว่ามันหลงหนังคํานี้น่ะเอในครั้งพระพุทธเจ้าของเราหลวงพ่อจะเปรียบเทียบเป็นนิทานหรือว่าเป็นเรื่องภาษาวกให้ฟังเพื่อเป็นทาหอนสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทรับอยู่ที่ปุงสาวัตถีอต่นี้ท่านปารา ถ, ถึงนางนางรูปนันทาเนี่ยหลวงพ่อเคยพูดว่านางรูปนันทา ่นางชนณีกัลยาณีอะไรชนะระทานอะไรเนี่ยหลวงพ่อไม่จำไม่ชัดตัวนี้พระหลวงพ่อเรียกกับว่านางรูปนันธานางรูปนันธานี่เป็นนางเป็นลูกของนางโคตมีโคตมีเป็นแม่นาของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อประสูติเมื่อพระเจ้าสุทโทธทนะได้อภิเสศสมรสกับนางสิริมหามายา คือเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระพุทธเจ้าประสูติได้เจดวันประสูติได้เจวันนางชริมห า, มายาพระมารดาของ พ, พุทธองค์ได้สวรรค์นจากนั้นพระเจ้าจุดโทธนะก็ได้แต่งงานกับน้องสาวภรรยาคือนางโพตมีจากนั้นก็นางโพตมีก็มาดูแลสิทธทัต t h คือพระพุทธเจ้าของเรารักยิ่งกว่ารูป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 ต่อมาก็จะแต่งงานสืบสันติวงศ์ครองกรุม ก, กระบิลพัฒต์ต่อไปแต่ทีนี้ยังไม่ถึงครั้งนั้นพระพุทธองค์เขาเทศพนันทะกุ ม, มาร ก, ก็ได้บวชต่อมาพระเจ้าจุโถธนคพระบิดาก็าสวัลนครบต่อมาพระธองค์ก็ได้โปรดพระราหุลในชงที่ปวดพระลาหุลคือบุตรพระพุทธเจ้าพระราหุล พระเจ้าจุโธธนพบิดายัางทรงพระชนอยู่เทแรกบวชนันทกุ ม, มารก่อนคือน้องชายก่อนต่อมาก็บวชพระลาหุน่นเมื่อบวตพระนันทกุ ม, มารพระเจ้าจุโทธนาก็รู้สึกเสียใจในระดับหนึ่งเสียใจอย่างมากแต่ก็มีความตั้งใจอยู่ว่าถึงยังไงก็ยังมีลาหุน่นหลานลูกของสิท ธ, ธัตถะหรือรูปของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่อายุเจ็ดขวบ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 แต่นี้พอศิตาถาออกไปบวชขุมทรัพย์ทองหลายหายอันตรธานหายไปไม่รู้หายไปไหนทีนี้ถ้านางพิมพาแอะยะโสธราก็บอกกับลูกชายพระราหุนว่าเลูกเธอลูกจะได้ครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ไปถามข อ, อพระบิดาของอลูกเซเนยละองค์สมณะที่องค์สู ง, สง ที่เป็นผู้นำหมู่คณะนั่นแหละให้ไปถามว่าผมขอสมบัติที่พระบิดาสมัยครองราดเลยที่สมบัติเกิดในสี่มุมเมืองแต่บัดนี้หายไปไหนขอผมจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองราตก็ขอให้บิดาประทานให้ผมด้วยเถิดแม่แนะนำนางพิมพาแนะนำลูกชายแต่นี้พระเลาหุณอายุเจปีก็เห็น พระพุทธเจ้าเป็นผู้นําคณะสงฆ์เข้ามาฉันในเวียงวังพระลาหุนก็นเดินต่อยตามเอยไปก็ไปขอจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเออเออเออไปตามทางเลยพอไปถึงวัดป่ า, าที่พักที่ประทับของพระพุทธเจ้าแล้วสิวัดป่าที่กรุงกระบินรพัฒนท่านก็บอกว่าลาหุน เธออย่าเอาเธอนะโลกียทรัพย์เอาโลกุตตทรัพย์จะดีกว่านะลูกนะโลกียะซั์มันเสื่อมเป็นมันเอาไปด้วยไม่ได้แอบแบมือตายหมดทุกคนไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินฉลายเพราะฉะนั้นเอาโ ล, โลกุตตทรัพย์อันซับซับอันประเสริฐคือพระอริยะคือพระราหารันจะดีกว่านะลูกนะลูกจะเอาโลกียะหรือเเอาโลกุาาลกตตะ เออพระลาหุูก็บอกว่าพระบิดาบอกว่าอันไหนดีกับผมก็เอาวันนั้นนะครับผมเออเอาถ้างั้นก็บวชเอาสารีบตรบวชนายพระสารีบวชก็เลยบวชให้พระลาหุูถือเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเมื่อบวชเข้ามาแล้วพระเจ้าจุตโทชนะเสียใจอย่างมากพระบิดานะเพราะว่าโอ้เราก็ตั้งความหวังว่าในเมื่อนันทะบวชแล้วก็ยังราหุูก็ยังอยู่แต่บัดนี้ลาหุูบวชจะแล้ว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 ที่บวชในคราวนี้เพราะว่าหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้หลานเป็นผู้คลองราชสมบัติแต่บัตรนี้หลานได้บวชใชแล้วบวชในพุทธศาสนาใช่แล้วทําให้ตระกูลหมดขาดจะบั้นลงไปแล้วคงจะเป็นพวกน้องๆจะเป็นรักษา ร, ราชบัลลังต่อไปเพราะฉนั้นตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะั้นลูกนะถ้าจะให้กุลบุตรสุดท้ายภายหลังเข้ามาบวช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 เป็นโทษกับพระภิกษุผู้ให้ให้บวชนั้นฮะเพราะนั้นท่านจึงบอกว่ า, เ, าเวลาพระเข้ามาบวชในพทธศาสนาท่านจึงถามว่าอนุ ญ, ญาโตสิมาตาปิโตฮิเจ้าได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาหรือยังอามะพันเตครับผมผมได้รับอนุญาตแล้วนี่แหละคือความเป็นมาหลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้า จากนั้นเมื่อท่านบวชแล้วทตนี่เออพระราหูนก็บวชนางโคตมีก็บวชใครก็บวชที่เป็นญาติแต่นางยังเหลือแต่นางรูปนานทาที่อยู่ได้ยังไงแต่นี่พระพี่นางก็บวชนางพิมพายโสราก็บวชเป็นบวชเป็นภิกษุณีเออแม่ก็บวชคือนางโคตมีเป็นตระกูลภิกษุณีแต่นี่นางรูปนานทานเออเราจะอยู่ยังไง ก็ลผลในสุกก็เลยออกจากเวียงวันวังไปอยู่กับแม่ไปอยู่กับนางภิกษุณีแต่ยังไม่บวชนะจ๊ะเนี่ยพอไปอยู่ต่อมาแล้วกิดแม่ก็ให้บวชบวชเป็นภิกษุณีนางก็เลยบวชแต่นางนไม่อยากจะบวชเพราะว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าท่านตําหนิร่างกายว่าร่างกายเป็นของไม่เสร็จสวยงดงามเต็มไปด้วยของอสุภะปฏิกูล ของปฏิกูลไหลออกจากตักจากทวารทั้ง9้าคือขี้ตาขี้หูขี้จมูกขี้ลิ้นขี้ปากขี้ฟันขี้ไข่อุดจละปัะศวะล้วนแล้วแต่ของปฏิกูลไหลออกจากขวารร่างกายนี่เป็นของไม่เสร็จสวยงดงามแต่นางรูปะนันทาที่เป็นพระน้องของพระพุทธเจ้า ารโร่างกายเนี่ยเป็นของเสร็จสวยงดงามแต่พระเจ้าพี่ของเราเนี่ยตำหนิร่างกายเรารับไม่ได้เรารับไม่ได้ที่พระเจ้าพี่ตำหนิร่างกายร่างกายในเป็นของเสร็จสวยงดงามแต่ทาไมพระเจ้าพี่จะตำหนิร่างกายเป็นของอสุภะปฏิโกูลเราไม่อยากจะฟังเลยในทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่อยากจะฟังเพราะร่างกายเป็นของเสร็จสวยงดงามแต่ตามไม่จริงนางรกะนันทาเนี่ย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 เป็นของเสร็จสวยงดงามหลงในร่างกายหลงในโรคพูดงา่ายๆแต่ทีนี้พระพระุทธเจ้าสอนว่าร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะปฏิปูรมันสวนทางกันกับแนวความคิดของนางรูปนันทาจากนั้นนางรูปนันทาแบบไม่อยากจะได้ยินแต่วันหนึ่งเมื่อนางเข้าไปบวชเป็นภิกษุณีอยู่กับพระผาผานดาของของนางเองคือ น, อนังโคตมี แต่นน้นางทิสุนีทั้งหลายที่เข้าไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ากลับมาก็บรรยายให้ฟังโอ้พระพุทธเจ้าเทศภั ย, ภยระจับใจจริงๆหน้านับถือหน้าเลื่อมใสที่พระพุทธเจ้าได้เทศนาว่าการให้กับพวกเราท่านทั้งหลายทาไมพระพุทธเจ้าจึงสรรหาคําพูดได้เหมาะเจาะจริงๆถูพกพระพุทธเจ้าตรัสคาไหนเป็นคํานั้นจริงๆถูกจริงๆ เออทีนี้นางคนทั้งหลายก็มาบรรยายให้นางรูปะนันธาฟังนางรูปะนันธาอดล่นคนไม่ได้จริงเอ้เราน่าจะไปฟังเออยังไงก็ให้ไปฟังฟังดูสิถึอยังไงพระพุทธเจ้าตําหนิยังไง เ, เราก็จะได้รู้เออขั้นคงจะไม่ตําหนิทุกวี่ทุกวันก็มั้งนางก็ไปแอบแอบด่อมด้อมไปนางภิกษุณีทั้งหลายแต่วันนั้นพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่านางรูปะนันธาจะเข้ามา ฝังธรรมเทศนาในวันนี้คือพระองค์มีญาณรัศนะคือชาติเนี่นะยญาณรัศน์ใครเวลาอย่างพุทธบริษัทมานั่งอยู่ในศาลาแห่งนี้พระองค์ขึ้นนั่งบนอาชนะรัตกาดญาณทัศน์กวาดสายตาดูใครวันนี้จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลใครจะปลามาท่านบ้างใครจะได้สําเร็จระดับระดับไหนเป็นพระโสดาบันหรือเป็นผู้ยึดพระไตราสารนคม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 ให้นางเข้าใจและเป็นที่สบายใจของเขาในวันนี้พุทธองค์มองเห็นแล้วก็เมื่อนางเข้ามาแต่นางก็นั่งอยู่ไกลๆห่างๆใครๆว่าพอได้ยินเสียงท่านเองมองดูว่าพุทธองค์อยู่ในนั่งอยู่ในสถานะอย่างไรแต่วันนั้นพระองค์เห็นว่านางรูปนันธาติดในโรคคือติดในความสวยงามเพราะพุทธองค์ก็เนรมิต หญิงสาวคนหนึ่งสวยงามมากนั่งอยู่ข้างๆเออนั่งนั่งอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้าแล้วก็พร้อมกับถืองานพัดคล้ายๆว่าถือตะปัดพัดพระพุทธเจ้าเอออยู่ข้างๆพระพุทธเจ้าหญิงคนนั้นสวยงามจริงๆพอนางรูปนานันธามาเห็นหญิงคนนั้นละ่ะก็มองมองเห็นตนเองถึงแล้วก็มองไปหาไปดูหญิงคนนั้นอีกหญิงสาวคนนั้นอีก มองโอ้โหทำไมหญิงสาวคนนี้ทําไมสวยจริงๆถ้ามามองดูของตัวของเราเนะี่เหมือนกับหลิงตัวหนึ่งอแต่มองนั้นเหมือนกับเทวดาโอ้โหทําไมใครว่าพระพุทธเจ้าตําหนิคนสวยงามติติตําหนิร่างกายถ้าตําหนิร่างกายหญิงคนนั้นก็คงคงจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าไม่ได้อาเดชพระพุทธเจ้าให้อยู่ใกล้ๆถือถวายงานพัดเนี่ยโอ้โหทําไมสวยงามขนาดนี้หญิงคนนั้นนะ คือนางรูปนนานันทาไม่ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุพทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ไม่ได้พูดไมได้ตรัสเกี่ยวกับอสุภะปฏิกูลท่านก็พิจเรื่องทานเรื่องศีลไปอย่างอื่นแต่นางรูปนน า, นานันทามองแล้วมองอีกจ้องเลยไม่ได้เกี่ยวจวพตาไม่กระพริบที่นางผู้ถวายงานพัดนะ่ะพอพัดพัดไปหญิงคนนั้นที่แรกอายุสิบห้าสิบหกปีเป็นหญิงสาววัยรุ่นสวยงามมาก ต่อมากับอายุ20ปีต่อมากับ20ไล่ไปเรื่อย20 30 40, 40 50 60 40ไล่ไปจนถึงอายุ90ไงดูสิพวกเราอายุ90จะเป็นยังไงเท่ไหนผมขาวอะไรตัยเออหนังเหี่ยวหลังค่องแล้วก็ฟันหลุดเออมองเห็นแล้วโอ้เป็นที่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแลยเวลาจะพัด พ่อพุทธเจ้าถวายงานพัดพรอพุทธเจ้าก็งกๆ ก, กันกันแล้วล้มลงซะก่อนจะลุกขึ้นมาจับพัดอีกเพราะอายุเก้าสิบปีเทนางรูปานันทาก็เห็นนะโอ้โร่างกายของคนเรานี่นะก่อนหน้านี้เสร็จสวยงดงามงามสวยจริงๆแต่บัดนี้เอร่างกายที่เสร็จสวยงดงามนั้นเป็นอย่างนี้จริงหนอเป็นอย่างนี้เองหนอ ใ ค, ใครก็ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ความชราคือความแก่นี้พ่อนางเห็นความแก่เท่านั้นละ่ะก็จ้อนมาหาตัวเองถึงเออร่างกายของเราเนี่อีกสักวันหนึ่งก็ไม่แพ้หญิงสาวคนนั้นขนาดหญิงสาวคนนั้นยังสวยๆขนาดนั้นก็ยังให้เห็นความแก่ถึงขนาดนี้เรานี่เป็นใครเราจะไม่แก่เหรอนี่แหละตอนนี้พอนางย้อนมาหาตัวเองเท่านั้นแหะพราะพระเจ้า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 เพราะนั้นให้เธอให้พิจารณาร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งร่างกายีจะต้องแตกตายสลายลงไปสู่ดินน้ําลมไหร่างกายนี่เป็นของอสุภาษนะเป็นของเป็นธาตุสีนะดินน้ําลมไวนะใจของเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นของกิรังถาพร น, นะรูปะนันทาให้ปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้ใจของเรารู้เท่ารู้ทัน ปล่อยวางที่ใจใจของเธอจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสท่าเราเธอไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจของเธอบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วนั่นแหละแอบความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นในจุดนั้นนี่วัดนิพพานนางประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งจะเกิดขึ้นในตัวของเธอเองนางรูประนันทาได้เห็นเนิ่นจังทุกขังอนาตาเห็นอริยะสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมักในขณะที่พระพุทธองค์แสดงธรรม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 จุดใหญ่หรือจุดเรื่องความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ท, ที่พระพุทธเจ้าอบรมแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทของพระ อ, องค์ไม่ว่าท่านผู้ใดจะเห็นก่อนที่จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสต้องเห็นอดีจั์ของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนาตามิใช่ตัวตนของเราเมื่อเห็นจุดนี้แล้วท่านจะปล่อยวางที่ใจของท่านเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่าน อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่างที่หลวงพ่อไดยกเป็นพุทธภาษีเบื้องต้นว่าอเิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างหลวงพ่อคุณเห็นไหมหลงปู่คุณของเรานะี่ยไม่เที่ยงพวกเราจะเที่ยงได้อย่างไงพวกเราอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะต้องทิ้งเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทางนั้นไม่ใช่เอาความตายแล้วความหายจะน่ามักคู่กันไม่ใช่เอาความจริงมาพูดให้กันฟังพวกเราจะคิดหรือไม่คิดก็ มันเป็นสิทธิ์ของพวกเราจะต้องไม่คิดหรือคิดหลวงพ่อที่พูดให้ฟังคือแสดงให้ฟังว่าร่างกายเนี่ยอเนจาวัจสังขาราจริงๆสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอุปาทาวะธรรมมโนอุบัติขึ้นมาแล้วก็จะต้องเกิดดับอุปเชตตวานิรุชันติเตสังบุปะสะโมสุขโข ถ้าว่าเราปล่อยวางเราไม่ยึดมัน่นชื้อมั่นในร่างกายจะเป็นสุขอย่างยิ่งคือความปล่อยวางในในตัวของเราเองนี่แหละอันนี้ก็คือบทหนึ่งจากนั้นหลวงพ่อไ ด, ด้พูดว่าไคยะวยธรรมมาสร้างฆาราปมาเดนะซัมปาเดท่าติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เทีย่ยงขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ เพราะเหตุใดเพราะว่าร่างกายของเราอีกทักวันหนึ่งไม่รู้จะวันไหนแล้ต่อไปภายภาคหน้าข้างหน้านี่ไม่รู้จะวันไหนมันจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างหลวงปู่ภูลของพวกเราเพราะฉะนั้นเมื่อถึงหลวงปู่ภูลของพวกเราแล้วเราเอาร่างกายแตกแล้วเราจะไปที่ไหนใจของเราจะไปที่ไหนถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมเราตั้งอยู่ในความประมาทแล้วเราจะไปเกิดในภพภูมิใด ไม่ไราะเราไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านที่ได้บอกกล่าววันนี้ได้กล่าวถึงสังเวชธนิยกถาคือกล่าวความถึงความสลดสังเวทใจให้พวกเราน้อมสำนึกล้ำลึกถึงอันเนื่องจากคือของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราร่างกายสังขารทั้งหลายทั้งมวลไม่ใช่ตัวตนของเรา เพราะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทการพูดและการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรัยพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์อนุภาพของหลวงพ่อคุณที่ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาเป็นระยะยาวนานอขอให้มาคุ้มครองรักษาพวกเราท่านทั้งหลาย